ตอนนี้เวลาพวกเราหลงๆแล้วจิตยังไปจับกับอารมณ์ไหมยังมีจิตเข้าไปรวมกับอารมณ์ไหมเวลาเรารู้ทันเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่ที่มันหลุดออกจากกันถึงห้าวินาทีไหมเกินหรอต้องฝึกนะเอาให้ได้สามวินาทีเผื่อลดความ <c oughs> นั่งรถไปเกิดอุบัติเหตุนะมีเวลาสองสามวินาทีอะไรเนี้ย เราจะเอาตัวรอดไหมแค่จิตมันดีดออกจากอารมณ์นะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยังไงก็ไปสุขติแต่ว่ามันยังไม่ได้ล้างความเห็นผิดไม่ได้ล้างความยึดถือจิตมันก็ดีเฉยแต่ความไม่รู้ความไม่เข้าใจยังสะสมอยู่ก็แค่เอาตัวรอดได้ให้จิตถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปสุขติได้ไหม ยังไม่ถึงขนาดไปมรรคผลนิพพานไปเชื้อของความหลงผิดนั้นยังอยู่การภาวนานะต้องเข้าไปทำลายเชื้อของความหลงผิดเชื้อเกิดก่อนหลวงพ่อเคยส่งกันบ้านกับโลพุเทศมาภาวนานะมาเห็นจิตที่เป็นต้นกำเนิดแนละ้วต้นกำเนิดเป็นต้นต่อนะจิตดองนี้นะ่ะสว่างไสวผ่องใสเบิกบาน เห็นผู้รู้ผูตื่นผู้เบิกบานแต่เห็นมันมีเชื้ออยู่ข้างในเชื้อเนี่ยงอกขึ้นมาได้เหมือนเป็นต้นอ่อนของต้นไม้นะที่อยู่ในเมล็ดใครกินถั่วงอกเห็นหมมันจะมีใบยอยู่เห็นมมีถั่วเขียวเเห็นหั้ยมันมีต้นอ่อนอยู่ในเม็ดมันอีกทิ้งในจิตเราก็ปีต้นอ่อน คือเชื่อเกิดวิชา ย, ยังอยู่มีจิตดวงเดียวนี่แหละอย่างลงไปสู่ภพต่างๆมันก็งอกขึ้นมาเป็นขันห้าไปตกในบางภพมันก็เป็นขันสี่ไปตกในบางภพมันเป็นขันหนึ่งแต่มันงอกขันขึ้นมาได้อีกเชื่อมันยังไม่ไม่หายไปต้องทำลายเชื่อเกิดให้ได้ถึงจะพ้นความเกิดได้จริงๆ เชื้อเกิดคืออวิชชาความไม่รู้อริยสัจมันไม่รู้ทุกไม่รู้สมุทยัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคไม่รู้ว่าหน้าที่ต่อทุกต่อสมุทัยต่อนิโรธต่อมรรคเป็นยังไงไม่รู้วิธีปฏิบัติหน้าที่ต่อทุกต่อสมุทยัยต่อนิโรธต่อมรรคมันไม่รู้มันไม่รู้อดีตว่าปัจจุบันนั้นเป็นผลของอดีต ปัจจุบันไม่ได้ลอยๆมาเองมันไม่รู้อนาคตนะว่าอนาคตจาเป็นผลจากปัจจุบันไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตว่าวัตฏะเนี่ยหมุนวนไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้ปฏิจจสมุ ป, ปบาทว่าทำทั้งหลายนะอาศัยกันเกิดมีเชื้อเกิดอยู่ก็ยังอาศัยกันเกิดไปเรื่อยนะจนกระทั่งเกิดตัวตนเกิดทุกข์ขึ้นมา เรื่อเราจะทำลายความไม่รู้เหล่านี้ออกไปจากใจเราความไม่รู้ตั้ง8ประการไม่รู้ทุกไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตรู้อดีตไม่ใช่ระลึกชาตินะรู้อดีตที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายมันมีอันจะเหตุไม่รู้อนาคตก็คือไม่รู้ผลว่าปัจจุบันเหตุนําไปสู่อนาคตผลได้ เงัอนอย่างบางคนมันเป็นมิจฉาทิฏฐิบอกว่าศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องทําไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วบรรลุพ้นทุกไปได้เองนี mm ่ hmm. พวกมิจฉาทิฏฐิพวกไม่มีเหตุไม่มีผลก็ต้องทําลายความไม่รู้แปดประการฟังแล้วยากทั้งยากทั้งมากเอาวันเดียวก็พอรู้ทุกให้แจมแจ้งนะรู้ทุกให้แจมแจ้งหรู้ลงมาในใกายในใจในรูปในนามของเรานี้แหละ รู้แจ่มแจ้งว่าโอ้ขันห้านี้กายนี้ใจนี้มีแต่ตัวทุกข์ร่างกายนี้ก็เป็นตัวทุกข์เวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉยก็เป็นตัวทุกข์ความสุขก็เป็นตัวทุกข์อันนึงเสียแทงนะเสียแทงได้อยู่กุศลอุศลก็เป็นตัวทุกข์นึกไม่ถึงนะว่ากุศลเป็นตัวทุกข์นึกว่าอาุศลนะถึงจะทุกข์ กุศลก็ทุกคนไหนถูกกุศลครอบงำนะอยากทําดีเยอะๆนะก็ทุกนะทุกอย่างคนดีพวกมาตรฐานมากมาตรฐานสูงก็ทุกเยอะให้เรารู้ทุกลงไปคนะือรู้ลงในกายในใจนี้ให้มากเวลาทําลายความเห็นผิดนะีถ้าเมื่อไหร่เห็นแจ้งเนมะื่อกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์มันจะทําหน้าที่ของอริยาศาสตร์ทั้งหมดที่เหลือให้เสร็จไปเลย รู้ทุกข์เขี่ยมแจ้งอันเดียวก็จะละสมุทยัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรครู้ทุกข์เขี่ยมแจ้งนั้นก็ล้างความเห็นผิดรู้เลยทุกนี้ก็มีเหตุให้เกิดการกระทําอย่างนี้มีผลไปข้างหน้าเป็นอย่างนี้วัตตะนี่หมุนวนสัมพันธ์กันตลอดก็ไม่ได้มีตัวมีตนอะไรที่แท้จริงเป็นแต่รูปธรรมนามธรรมทํางานสืบเนื่องกันไป การที่เห็นว่ามันไม่มีตัวมีตนนะมีแต่รูปธรรมนำมาทำทำงานสืบเนื่องกันไปเห็นการทํางานสืบเนื่องกันไปเห็นปฏิจจสมุ ป, ปบาทเนละสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีไม่ได้ยากอะไรเท่าที่เราคิดหรอกฟังแล้วเหมือนเยอะนะฟังแล้วเหมือนยากแค่รู้สึกตัวขึ้นมาพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกนะจะเห็นในร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นโคนละอันกัน หรือจิตใจมีความสุขมีความทุกข์ขึ้นมาร่างกายมีความสุขความทุกข์ขึ้นมาเราก็เห็นนะความสุขความทุกข์ในกายความสุขความทุกข์ความเฉยๆในใจไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตใจเป็นสภาวะธรรมอีกชนิดหนึ่งหรือเห็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นในจิตอย่างความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นในจิตใจของเราไม่เกิดในกายแต่เกิดในจิตก็เห็นอีกมันไม่ใช่จิตหรอกความโกรธไม่ใช่จิตความโลภไม่ใช่จิตความหลงไม่ใช่จิต เราหัดดูของเราแค่นี้แหละที่เหลือนะสติปัญญามันค่อยพัฒนาของมันเองงั้นการปฏิบัตินะไม่มีอะไรมากหรอกในขั้นลงมือปฏิบัติทางจิตเนี่ยอันแรกเลยฝึกให้จิตตั้งมั่นให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ให้จิตหลงไปไม่ให้จิตไปเพ่งเอาไว้จิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นี่แหละเรียกว่าจิตมีสมาธิถ้าจิตหลงไปฟุ้งซ่านไป ทางตาทางหูทางใจคิดน้อนคิดนี้ไปให้จิตฟุ้งซ่านจิตไม่มีสมา ธ, ธิถ้าเาจิตไปเพ่องอยู่ที่ลมหายใจจิตไปเพ่องอยู่ที่ท้องจิตไปเพ่องอยู่ที่เท้าเป็นสมาธิเหมือนกันแต่เป็นมิจฉาสมาธิสมาธินิ่งๆเอาไปเดินปัญญาไม่ได้อย่างจิตเราไปอยู่ที่เท้าจิตไปอยู่ที่ท้องดูท้องฟองยบจิตไปอยู่กับท้องไม่เดินปัญญา จ, จริง สมาธิไม่ได้วระจิตเป็นแนบอยู่ที่อารมณ์นะสมาธิคือจิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์จิตนั้นมีหน้าที่รู้อารมณ์นี่สมาธิเป็นเครื่องมือให้จิตตั้งมั่นแล้วจิตก็ทำหน้าที่รู้อารมณ์ถ้จิตไม่ดีจิตไหลไปกาอารมณ์หน้าที่ที่เหมาะสมของจิตก็คือการรู้อารมณ์องค์ธรรมลักษณะของจิตนะคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นั้นงานหลักของจิตคืองานรู้อารมณ์ แต่พอจิตไม่ฉลาดนะจิตไหลไปนะจิตแทนที่รู้อารมณ์เฉยๆจิตจะเข้าไปยึดอารมณ์จิตเลยทุกข์นั่นเวลาที่จิตทรงสมาธิขึ้นมาเนี่ยจิตจะตั้งมั่นสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นสมาธิอย่าไปแปลว่าสงบนะมักง่ายไปสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วนีจิตก็ทําหน้าที่ของจิตคือรู้ถ้าจิตตั้งมั่นได้จิตจะรู้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตจะคิด จิตจะไหลไปคิดไหลไปดูไหลไปฟังนะไหลไปดมกลิ่นไหลไปรู้รสไหลไปรู้สัมผัสทางกายไหลไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจไหลไปเพ่งนะเนี่ยจิตจะไหลไปทั้งสิ้นเลยจิตจะเคลื่อนไปหลวงปู่ดูลท่านเหมาเลยจิตที่เคลื่อนไปท่านเรียกจิตออกนอกอย่างจิตไหลไปอยู่ที่ท้องหลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตออกนอกแล้วออกนอกไปจากการรู้งี่นเราต้องมาฝึกฝนนะพัฒนา ขั้นแรกเลยต้องให้จิตตั้งมั่นจิตไม่ไหลแต่ตั้งมั่นโดยที่มันไม่ไหลเองไม่ใช่ไปบังคับไม่ให้ไหลถ้าบังคับจิตไม่ให้เคลื่อนนะมันก็คือการเพ่งจิตการเพ่งจิตน่จะเกิดความอึดอัดจิตจะอึดอัดนะจิตคับข้องไม่สบายแน่นแน่นหนักหนักแข็งแข็งทื่อทื่อจิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตซึมจิตทื่อเป็นอกุศล จิตที่เป็นกุศลนั่นโปร่งโล่งเบาอย่างพวกเราบางคนรู้สึกไหมเราหัดนั่งสมาธิปุบอึดอัดไปหมดเลยแน่นไปหมดเลยเรานึกว่ากาลังดีนะกาลังทำความดีอยู่ที่จริงกาลังทำความชั่วอยู่เรากาลังทำจิตซึ่งปกติธรรมดาดีบ้างร้ายบ้างนะให้เป็นจิตอกุศลจิตแน่นๆจิตหนักหนักจิตแข็งแข็งจิตซึมซึมจิตทื่อจิต ท, ที่เป็นกุศลนันต้องเบา เรื่อมีลหูตาต้องนุ่มนวลเรื่มีมุทุตาอ่อนโยนนุ่มนวลต้องคล่องแคล่วว่องไวไม่ใช่สุ่มทื่อคล่องแคล่วว่องไวนะเรียกว่าปา่าคุณตานะทำหน้าที่ในการรู้อารมณ์อย่างซื่อเรียกอุชุกตานะแล้วทำงานได้อย่างคล่องตัวนะไม่ใช่ไม่ทำงานควรแก่การงาน สภาวะอะไรเกิดขึ้นจิต ท, ที่ว่าสักว่ารู้เห็นไปเนี่ควรแกการงานเป็นกรรมัญญตาเนี่ยจิต ท, ที่เป็นกุศลจะต้องเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่ควว่องไวทํางานได้ว่องไวไม่ใช่ทําอะไรก็ไม่ได้นั่งซึมกระตือนะฝึกตัวเองให้กลายเป็นต้นไม้ให้กลายเป็นก้อนหินหรือไปฝึกจนหนักจนแน่นจนแข็งจนซึมจนชื่ออันนั้นเป็นมิจฉาสม า, สมาธิสมาธิชั้นเลว ไม่เป็นไปเพื่อการเจริญปัญญาแต่ไม่ได้พักผ่อนจริงด้วยสมาธิพักผ่อนจริงๆนะใจก็โปร่งโล่งเบานะใจเป็นกุศลสบายมีความสุขมีความสงบแต่มันเป็นนิ่งสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวโดยไม่ได้ข่มขู่บังคับมันไว้มีความสุขอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ตื่อหรอกแต่สมาธิอีกชนิดหนึ่งคือตั้งมั่น สมาธิที่สงบอยู่ในอารมณ์เดียวนจีจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวสมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นแสนเป็นล้านก็ได้เห็นอารมณ์มันหมุนหมุนหมุนมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูเนี่ยเราต้องมาพยายามพัฒนานนจิตของเรา etti, ให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะไม่ใช่ผู้คิดผู้นึิมผู้ปรุงผู้แต่งวิธีที่เราจะพัฒนาจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ยากอะไรหรอก ให้เรารู้ทันจิต ท, ที่ไหลไปจิต ท, ที่หลงไปโดยเฉพาะการหลงไปคิดนะั้นเกิดบ่อยที่สุดเฉะนั้นถ้าจิตหลงไปคิดเรารู้ทันนะจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดถ้าตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานธรรมชาติของจิตนั้นะมันคิดนึกปรุงแต่งมาตั้งแต่เกิดความจริงเพราะคิดนึกปรุงแต่งนั่นแหละถึงมาเกิดเพราะมันชินกับการที่จะคิดนึกปรุงแต่งไปเรื่อยๆไม่ชินที่จะรู้สึกตัวพวกเราเกิดมาด้วยความหลงนะ ถ้าไม่มีความหลงไม่มีเชื้อเกิดยังโง่ยังหลงก็เลยพากันมาเกิดรวมทั้งหลวงพ่อด้วยนะไม่ง่ไม่เกิดหรอกัอี่เรามาหัดรู้ทันนะวิธีช่วยให้เรารู้ทันได้ง่ายหากรรมฐานขึ้นมาสักอันหนึ่งก่อนคนไหนถนัดพุดโทโธก็พุโทโธไปแต่ไม่ได้พุโทโธให้จิตนิ่งอยู่กับพุโทโธให้พุโทโธเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิด จิตที่หลงไปโ น, น้นจิตที่หลงไปนี้พุทโธพุทโธพุทโธจิตนี้ไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธจิตหนี้ไปคิดรู้ทันจิตจะตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดได้มันเป็นเคล็ดลับที่อัศจรรย์มากเลยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยที่จะได้ผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาหรือรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจไม่ใช่มุ่งบังคับ ไม่ใช่มุ่ง <isphere> น้อมให้จิตไปอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวห้ามไปที่อื่นถ้าน้อมบังคับจิตอยู <with> ่กับลมหายใจจะอึดอัดถ้าน้อมจิตไปหาลมหายใจไม่หนีไปที่อื่นจะได้ความสงบแต่ถ้าเราพัฒนาขึ้นไปอีกหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตไหลไปเพ่งลมหายใจเรารู้ทันจิตไหลไปเพ่งท้องเรารู้ทันจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันหายใจไปนะแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันมันจะเคลื่อนไปไหน เคลื่อนไปคิดจนส่วนใหญ่ถ้าอยากปฏิบัติมากๆก็เคลื่อนไปเพ่งลมหายใจเคลื่อนไปเพ่งท้องเพราะฉะนั้นำกรรมฐานขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปพุโทโธพุโทโธจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปเพ่งลมหายใจรู้ทันจิตเคลื่อนไปเพ่งท้องรู้ทันขยับมืออย่างหลวงพ่เทียนก็ได้ขยับมือแล้วไม่ใช่ให้จิตนิ่งอยู่ที่มือนะ ขยับมือแล้วก็จิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งอยู่ที่มือรู้ทันพยายามรู้ทันจิตทํากรรมฐานขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตสิ่งที่ได้มาก็คือสมาธิที่ถูกต้องงั้นบทเรียนของพระพุทธเจ้าบทเรียนที่1นชื่อศีลสิกขาบทเรียนที่สองจิตตสิกขาจําเป็นที่สุดเลยเรื่องจิตตสิกขาต้องเรียนเรื่องจิตทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไปจิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทัน เคลื่อนไปคิดก็รู้เคลื่อนไปเพ่งก็รู้ไปเพ่งก็เคลื่อนเคลื่อนทั้งคู่เลยตรงที่เรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปเนี่ยจิตจะไม่เคลื่อนตรงที่รู้ทันว่าเคลื่อนนะตรงนั้นจิตจะตั้งมั่นขึ้นม า, าแต่ตั้งอยู่ชั่วขณะหรอกเดี๋ยวก็เคลื่อนใหม่เคลื่อนใหม่รู้ใหม่ดูไปได้ในสดจิตมันก็ไม่หลงไปอยู่โลกของความคิดนานไหลไปแวบก็รู้สึกแวบก็รู้สึกนะ อนี้จิตตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างนี้ดีไม่ยากนะไม่ยากทําไปเรื่อยๆทําทุกวันทุกวันขยันทำไม่ไม่คิดว่าจะต้องดีร้อยเซนตไม่ต้องทำสมาธิไม่ใช่คิดว่าต้องสุขต้องสงบต้องดีฟุ้งซ่านก็ทําไปสงบเพราะทำไปวันนี้จิตเป็นกุศลก็ทําไปจิตเป็นอกุศลก็ทํำไป หายใจไปด้วยความรู้สึกตัวจิตหนีไปคิดรู้ทันวันนี้ไม่สบายใจเขาช่างมันหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวจิตหนีไปคิดเรื่องที่กลุ้มใจก็รู้ทันมันวันนี้สบายใจเขาทําปฏิบัติไม่ใช่กระดิกระดาลืมการปฏิบัติไปหายใจไปจิตไหลไปคิดเรื่องที่ทําให้ ก, หกระดิกระดาขึ้นมารู้ทันมันอีกการที่เรารู้ทันจิตเนืองเนืองนี่แหละในที่สุดจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้เพ่งตัวนี้ตัวแตกหักนักปฏิบัติจํานวนมากเลยส่วนใหญ่ที่เขานั่งสมาธิกันมันน้อมไปหาความสงบทั้งสงบแบบทรมานทั้งสงบแบบสบายถ้าบังคับมากก็เครียดเครียดนั่งไปแล้วก็อึดอัดทนนั่งไปเรื่อยนี่พวกทรมานตัวเอง อีกพวกหนึ่งก็นั่งไปแล้วก็สงบสบายเคลิ้มไปมีความสุขเลิดเพลินไปนี่นั่งแล้วมีความสุขมีความสบายแต่หาคนที่ทำสมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยหายากที่สุดเลยนี่พวกเราถ้านั่งสมาธิเต็มรูปแบบไม่เป็นนะเราก็ใช้วิธีที่หลวงพ่อบอกนี่แหละพุโทโธไปหายใจไปนะจิตไหลไปคิดรู้ทันม่จะได้ความตั้งมั่นขึ้นมาแต่ตั้งไม่นาน จะตั้งเป็นขณะขณะนะจะได้คณิกาสมาธิเป็นหลักไม่ค่อยได้อุปจาระอุปจาระบางทีถ้านั่งในรูปแบบอยู่นะแล้วเห็นในขณะขณะนล้วจิตมันหยุดไปชั่วคราวสว่างขึ้นมาตรงที่มันสว่างขึ้นมานะได้ปฏิภาคนิมิตเมื่อไห่มีอุปจารสมาธิอย่างพวกเรานั่งใครเห็นความสว่างบ้างมีไหม แสงสว่างนั้นยอดได้ขยายได้ไหมถ้ายอดได้ขยายได้ถึงจะถืออุปจารสมาธนะิถ้ายังทื่อๆ อ, อ, อยู่แค่นี้นะยังไม่ถึงเลยนะแต่ถ้าจิตรวมเข้ากับแสงสว่างได้นะเราดับร่างกายหายไปเลยนะอันนี้เข้าอัปปนาเลยเนะข้าอัปปนาชนิดอรูปเลยโลกธาตุดับไปเลยเลือแต่จิตกับแสงสว่างอยู่ด้วยกัน หรือบางทีเพิกแสงสว่างออกไปนะเหลือจะจิตอยู่กับจิตนี่เป็นอารูปที่สองนะอรูปที่สามเนี่ยปล่อยจิตอีกทีไม่เอาไม่กําหนดไม่หมายไม่มีอไ ม, ไม่ไม่ยึดตัวอารมณ์ไม่เกาะตัวอารมณ์ไม่เกาะตัวจิตเดินไม่เอาอะไรเลยนะนี่เป็นอารูปที่สามแต่ใจมันจะเลือนลงไปความรู้สึกตัวมันจะคลายออกนะเหลืออยู่นี้ริบหลีริบหลีหเลยแต่โลกธาตุไม่มีนะหูไม่ได้ยินเสียง จมูมกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รสกายไม่กระทบสัมผัสใจไม่คิดนึกปรุงแต่งอะไรใจอยู่ในความสงบแน่วอยู่อันเดียวนั่นไปรูปที่สี่ไม่ยากนะไม่ยากถ้าทำชาญไม่เป็นคอยรู้ทันจิต ท, ที่ไหลไปคิดก็จะได้สมาธิขึ้นมา ถึงจะเป็นสมาธิแบบยากจนหน่อยนะเป็นขณะแว บ, บๆมาเดี๋ยวก็หลงอีกแล้วหลงก็รู้ทันก็รู้สึกขึ้นมาเดี๋ยวก็หลงอีกล้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรูว้ไปเรื่อยได้ขนาดนี้ก็พอเจริญปัญญาแล้วละ่ะพอเป็นพระละหันได้อย่าเอาอะไรนั่งหนา <c oughs> การที่จิตหลงแล้วรู้จิตหลงแล้วรู้นะถ้ามันมุ่งมาที่รู้เนี่ยในสุดตัวรู้มันก็เด่นขึ้นมารู้บ่อยๆหลงบ่อยหล ง, ลงทีๆหลงสั้นๆนะ ตัวรู้ก็ค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นสุดท้ายมก็ทําสมาธิอย่างอื่นได้ก็ไม่ค่อยยากอะไรอย่างพวกเราหัดดูจิตดูใจหลายคนนั่งสมาธิไม่เคยได้เดี๋ยวนี้ก็นั่งได้ละนั่งได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรจากจุดเล็กๆจาแต่ละขณะแต่ละขนะพอตีทีขึ้นมันก็เยอะขึ้นเองแหละในความเป็นจริงถ้าจิตรู้แล้วเผลอจิตรู้แล้วเผลอเนี่ยนะถึงจุดนี้เดินปัญญาเลยเดินปัญญาได้เลย เราเห็นเลยความไม่เที่ยงของจิตจิตเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตจะรู้ก็สั่งไม่ได้สั่งให้รู้ไม่ได้รู้แล้วรักษาไว้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ต้องคิดเอาหรอกนะหรือจิตจะหลงก็ห้ามมันไม่ได้นะหลงแล้วไล่มันก็ไม่ไปนะมันไปของมันเองจิตจะเป็นกุศลคือเป็นจิตรู้จิตจะเป็นอกุศลคือเป็นจิตหลงเลือกไม่ได้สั่งไม่ได้การที่เห็นจิตมันไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้ การที่เห็นจิตสั่งไม่ได้นะหลงก็ห้ามไม่ได้รู้ก็สั่งให้เกิดไม่ได้รักษาไว้ก็ไม่ได้ก็เห็นอนัตตาเห็นจิตเป็นอนิจจังบ้างเป็นอนัตตาบ้างเห็นอย่างนี้เราเดินวิปัสสนาอยู่แล้วนะถึงวันหนึ่งปัญญามันปิ้งขึ้นมาโอ้จิตทั้งหมดเลยนี่แหละจิตทุกอย่างเลยมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปดับไปนะบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราก็ได้ธรรมะเหมือนกัน เหมือนสำหรับคนซึ่งทําฌานไม่ได้นะใช้วิธีอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่ทาฌานไม่ได้ก็ให้รู้ทันจิตที่ไหลไปทำกรรมาฐานขึ้นมาสักอันหนึ่งก่อนพุทโธไปหายใจไปดูท้องพองยุบไปทำมือจังหวะไปเดินจงกรมไปไม่ใช่เพื่อให้จิตนิ่งทำไปเพื่อว่าจิตไหลไปแล้วรู้รู้ไวๆสุดท้ายเดี๋ยวก็จิตรู้เดี๋ยวก็จิตหลงเดี๋ยวก็จิตรู้จิตหลง ตรงนี้ต่อขึ้นปัญญาได้เลยต่อขึ้นเดินปัญญาได้เลยกนะ็จะเห็นเลยจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็เป็นอนัตตาจิตหลงก็เป็นนัตตาง่ายๆ่าเหนะมือนของคนที่ทําชาญไม่ได้นะก็ใช้คณิกาสมาธิเนี่ยมาดูจิตเนาะจะเห็นจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาก็เป็นพระอราหันต์ได้เหมือนกันนะถ้าคนไหนทําชาญได้ก็ทํา ทำฌานได้ก็ทํทาทําฌานอย่างยกตัวอย่างเราก็ต้องเลือกอารมณ์ของฌานก่อนไม่ใช่สมถะกรรมฐานทุกชนิดทําฌานได้มีบางชนิดหรอกที่ทําฌานได้อย่างกสินเนี่ยใช้ทําฌานได้นะอานาปนสติเนี่ยใช้ทําฌานได้พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติคิดถึงศีลนี่น ไ, นะไม่ถึงฌานะ อารมณ์ที่ทาฌานได้ก็มียี่สิบกว่าอย่างมีมีไ ม, ม, ม, ม่มากนักไม่ใช่ทั้งหมดอย่างกระสินมีสิบอันใช้ทาฌานได้เวลาทาฌานยกตัวอย่างอย่างหายใจเราหายใจนะหายใจเราไม่ได้ดูจิตดูใจนะเราดูลมหายใจถ้าจะทำฌานอย่าไปดูตัวจิต ถ้าจะทำฌานด้วยอนาปนสติไปดูจิตเนะี่ยถ้ารวมลงมา ม, มันจะไม่เป็นอนาปนสติลมเข้าอรูปมันทิ้งลมไปเลยแต่ถ้าใช้อนาปนสตินะรู้ลมไปลมมันจะค่อยๆละเอียดขึ้นเรื่อยๆทีแรกลมจะหยาบเวลาจิตของเราหยาบลมก็หยาบอย่างเวลามีราคาแรงๆรู้สึกไหมหายใจแรงเวลามีโทสะแรงๆหายใจแรงเห็นไหม เวลาจิตใจสงบสุขรู้สึกไม่หายใจเบาเเพราะนลมหายใจเนี่ยสัมพันธ์อยู่กับความรู้สึกเราทำใจให้สบายเราหายใจเล่นๆไปทำใจให้ผ่อนคลายหายใจเล่นๆนะหายใจไปเรื่อยจะพุทธโธด้วยก็ได้หายใจเข้าพุทธหายใจออกโธก็ได้ไม่ต้องไปกาหนดอะไรมั่งหายใจสบายพอมันมีความสุขมีความสบายนะมันผ่อนคลายผ่อนคลายเนี่ยลมหายใจจะละเอียดจะเบา แผ่วขึ้นแต่เดิมจะหายใจยาวนะหายใจลงไปถึงท้องคนปกติหายใจถึงท้องนะแต่ถ้าจงใจหายใจมันจะหายใจถึงแค่หน้าอกมันจะอึดอัดแล้วคนปกติหายใจเนี่ยความรู้สึกมันจะลงไปถึงท้องแล้วหายใจธรรมดาธรรมดา น, นี่แหละแต่ถ้าไปเกรงอยู่ที่หน้าอกเนี่ยไม่สงบง่ายหายใจสบายลมยาวๆ แต่พอจิตเริ่มสงบนะ้ลมจะค่อยแผ่วๆนะลมจะตื้นๆขึ้ น, น, นสุดท้ายมันเหลืออยู่ที่ปลายจมูกนิดเดียวอยู่ที่ปลายจมูกหรืออยู่ที่จางอยปากตรง น, นี้จุดนิ่งน้ำลมมันละเอียดเต็มที่นะ้ลมมันจะแปลสภาพไปในความรู้สึกของเรามันจะกลายเป็นแสงสว่างเกิดขึ้นสว่างขึ้นมาที่หน้านี่จากแสงสว่างนี้นะเราก็อยู่กับแสงสว่าง ถ้าลมหายใจปรากฏก็รู้ลมไปแต่ว่าตัวที่เรามารู้เป็นหลักนะั้นคือตัวแสงสว่างตัวนี้จนชำน้ชนานาญนะแสงนี้เราขยายนึกให้ขยายแผ่ความรู้สึกออกไปนะแสงนี้ก็แผ่ออไปเต็มโลกก็ได้นะยี่ย่อลงมาจนเหลือเท่าจุดเล็กๆปลายเข็มก็ได้จิตใจมันจะมีปีติการที่จิตเราไปจดจ่ออยู่กับแสงสว่างเนี่ยเรียกว่ามีวิตก การที่จิตเข้าเคลียร์อยู่ในแสงสว่างนี่เรียกว่าวิจารณแล้วเราเล่นได้นะจิตมีปีติมีความสุขจิตแน่วอยู่ในโารมันเดียวคือแสงสว่างนี้เรียกว่าเอกกตามันก็ได้ฌานที่หนึ่งขึ้นมาพอได้ฌานที่หนึ่งขึ้นมาแล้วนะให้มีสติไม่ต้องไปดูแสงลนะ้ให้มีสติรู้ทันวิตกรู้ทันวิจารณรู้ทันจิตที่ไปจับแสงรู้ทันจิตที่ไปเคล้าเคลียร์กับแสงนะจิตก็จะปล่อยการจับ ปล่อยการเคล้าเคลียนะเนี่ยตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานี่แหละจิต ท, ที่จะเป็นผู้รู้นะมันเลยเกิดขึ้นในฌานที่สองเป็นต้นไปเพราะมันปล่อยวิตกวิจาร์ลนะปล่อยการตรึกการตรองในแสงสว่างนะเด่นดวงขึ้นมาเนะี่งั้นถ้าคนไหนทําฌานได้ถึงฌานที่สองนะตัวรู้จะเด่นดวงอยู่ได้นานเลยอยู่ได้หลายวันเลยจะเด่นอยู่อย่างนั้นนะในขณะที่พวกเราทําฌานไม่ได้ส่วนใหญ่ทําฌานไม่ได้ไมันได้เป็นขณนะขณะนั้น เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงส่วนพวกนั้นนจิตจะเด่นดวงอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยพอจิตเป็นตัวรู้ออกจากสมาธิมาแล้วมันยังเด่นอยู่ยังไม่หายไปไหนยังเด่นอยู่ได้แต่ก็ไม่เกินเจ็ดวันก็จะหมองๆไปต้องไ ป, ไปทําสมาธิเพิ่มเมื่อจิตมันเด่นดวงอยู่งั้นไปดูจิตไม่ได้เพราะไม่มีอะไรให้ดูมันเที่ยงนะแค่หลงไปดูจิตตัวนั้นนล้จิตเที่ยงไปเลยเพราอนเวลาคนที่ทําชาญออกมาเนี่ยท่านสอนให้ดูกาย จะเห็นเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่นี่เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตตั้งมั่นเด่นดวงอยู่เป็นผู้รู้ผู้ดูกายกับจิตนี่คนละอันกันเวทนาที่เกิดขึ้นในกายก็คนละอันกันไม่ใช่กายด้วยไม่ใช่จิตด้วยแยกขันได้เหมือนกันนะแต่มันจะโน้มมาทางในทางรูปปันขันกับจิตถ้าหาดูจิตมาเป็นขณะขณอย่างพวกเราเนี่ย มันจะมุ่งมาที่ตัวเจตสิกกับจิตไม่ใช่ร่างกายนะกับจิตน้ำหนักมันจะถ้าเป็นเวทนาก็เป็นเวทนาทางใจไม่ใช่เวทนาทางกายนะแล้วก็เป็นความปรุงดีปรุงชั่วทางใจเป็นความเกิดดับของจิตทางทวาวรทั้งหกพวกที่ดูจิตมันจะเพ่งเล็งมาที่เวทนาในใจนะเวทนาทางใจสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วทางใจแล้วก็จิตที่เกิดดับทางอายตนะทั้ง6 พวกดูกายอย่าเพ่งเล็งไปที่กายเคาเพทนาทางกาย้ก็มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูแต่ไม่ว่าจะเดินด้วยวิธีใดก็มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูเพียงแต่พวกที่หัดมาทางได้คณิกาสมาธิมันตั้งได้แวบก็ไหลแวบแล้วก็ไหลตั้งไม่นานพวกเรารู้สึกไหมตั้งไม่นานนารบรรลุพระอรหันต์มันก็บารู้อันเดียวกันแหละเหมือนกันแหละ ส่วนฤทธเดชอะไรนะอย่าเป็นนึกว่าทําชาญมาแล้วมีฤทธ์นะไม่ได้เป็นทุกคนหรอกบางคนทําสมาธินิดเดียวนี่แหละตอนที่เกิดมรรคขึ้นมานะถ้าของเก่าเคยทำนะมันกลับมาอีกนะอยากได้อภินยองอภินญาอย่าไปฝึกเลยไม่ทานหรกชาติเดียวอะ่ะเราฝึกกันหลายชาติไม่ใช่ฝึกเอาแล้วชาตินี้จะฝึกอภิญยาหวังว่าฝึกไปพุ่งปีหน้าจะได้อภิญยาไม่ได้หรอก เรฝึกกันข้าม พ, อพ่อข้ามชาตินะงั้นคนไหนจะได้มันก็ได้เองแหละพรำสะสมมาคนไหนไม่ได้ก็อย่าไปหวังเลยถ้าอยากได้จริงๆก็ทําบุญทําความดีไปนะแล้วก็ทําสมาธิไปด้วยอธิษฐานไว้ต่อไปในอนาคตการานั้นไกลให้ได้อภิญญาไม่งง่มันด้วจะว่าไงนะมักฝนไม่เอาเพราะการปฏิบัติเรยมีสองอ่านหนึ่งนะ มีสงองหนึ่งอันแรกฝึกจิตให้ตั้งมั่นหให้มีสมสาธิพอจิตมีสมาธิแล้วเดินปัญญาถ้าเราตั้งมั่นมาด้วยการรู้ทันจิตที่ไหลไปเนี่ยเราได้สมาธิชนิดคณิ ก, กาสมาธิเราก็มาดูจิตเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นกุศลอกุศลเห็นจิตเกิดดับทางตะวนันทั้งห ก, ก็ดูอย่างนี้นะไปดูกายดูไม่ทันจิตไม่มีแรงพอถ้าเราได้ตัวรู้มาได้ความตั้งมั่นมาด้วยการทําฌาน เข้าฌานออกจากฌานมาได้แล้วไม่ต้องไปดูจิตหรอกไม่มีอะไรให้ดูมันจะนิ่งนงิสว่างว่างอยู่งั้นนะเราก็มาดูกายเห็นกายไม่ใช่ตัวเรากายกับจิตเป็นคนละอันกันเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนดูไปเห็นความสุขความทุกข์ในกายไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนั้นเลยดั mm. นั้นมีทางให้เดินนะไม่ใช่มีทางทางเดียวหรอก mm. แต่ทางสายเนี้ที่เรียกว่าทางเอกกายนามักทางสายเอกทางสายเดียว เส้นทางเดินนะั้นทางใครทางมันนะทําสมาธิแล้วก็มาดูกลายนะหรือใช้สมาธิเล็กน้อยดูจิตไปเลยอันนึงเป็นสมถ า, ายานิกอันนึงเป็นมิปัสนาญ า, านิสสุดท้ายก็เข้าไปถึงความบริสุทธิ์หลุดพราะนัันเดียวกันนะแต่ถ้าเข้าถึงความบริสุทธิ์แล้วเนี่ยนะยังไงก็ได้ฌานนะยังไงก็ได้ฌานอย่างน้อยก็ปฐมฌานฌนะานไม่ใช่ของลำบากอะไร เพียงแต่ว่าถ้าไม่ได้เล่นชำนิชำนานมันส่งไม่นานเท่านึงนะส่งไม่นานถ้าส่งนานเต็มที่ท่านก็เข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธกันอยู่ได้เจ็ดวันไม่ต้องกินข้าวอย่างที่บอกว่าข้านิโรธข้าวนิโรธแล้วถึงเวลาออกมาฉันข้าวไม่ใช่นิโรธหรอกอย่างนั้นใครก็เข้าได้นั <laughs> ่นข้าวสมาธิเฉยเฉยเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ